ละมาเจโลกาอุปติสัปฏิกรรมชลีอันทิวรังอายาจาสันติธัช ต, ตาปราชาาชาอิกาเทเสตุธรรมังาาอาตมปิาามังตัชานคณะจัตไทยาญมอยู่ในความสงบช่วงนี้เป็นช่วงจะแสดงธรรมหรือเป็นช่วงที่ฟังธรร ม, มเทศนาการฟังธรรม ถ้าหาว่าพวกเราตั้งใจฟังก็จะได้รับความรู้ในเรื่องการได้ยินได้ฟังเพราะวิชาความรู้ในโลกทุกอย่างต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็กล้องถ่ายรูปที่มีแฟลชก็ะยาถ่ายเพราะว่าเสียสมาธิในการแสดงธรรมเพราะการแสดงธรรมหลวงพ่อเองตั้งอกตั้งใจมาจากนู่นมาจากวัด หลายเป็นร้อยกิโลมาที่นี่เพื่อมาเพื่อจะแสดงทำให้คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง น, นันเวลาฟังให้อยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันตรงนี้ไม่ใช่ตรงสถานที่คุยกันถ้าใครอยากจะคุยกันนุ่นออกไปอยู่ข้างนอกตรงนี้เป็นสถานที่ฟังผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังอัดฟังทำฟังหลักเหตุผลพวกเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่อัใสในการฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังต้องอาศัยการศึกษาสุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไขควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจงบสงบนิ่งแล้วนาจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นนำมาพิจารณากันกรองไตรตองเหตุและผลก็เกิดปัญญาที่แท้จริง สรุปแล้วก็คือท้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุสังรั ะ, ะเตะปัญญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาเพราะนั้นโอกาสนี้หาโอกาสได้ยากที่พวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันได้ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อเองจะแนะนำบอกกล่าวให้กับคณะจต่ายญาติญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาเพราะชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อจะเล่าล่าให้ลูก หลานคณะจัด ท, ทายญาติโยมได้ฟังชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา ย, ยาวนานเพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดคำใดออกไปก็ด้วยความตั้งใจเพื่อจะให้เกิดประโยชน์จึงค่อยได้พูดออกไปไม่ใช่ว่าพูดเปล่าๆพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้เพราะนั้นขอให้ลูกหลานตั้งใจฟังชีวิตของหลวงพ่อ หลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ 11-12 ปีนะคณะสัทธายาจโยมบวชปี 2,500 เป็นสามเณรเป็นสามเณรอยู่8ปีจากนั้นก็บวชเป็นพระ 1,000 ศพษาอยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่ภูจา ก, กพวกลูกหลานคงถ้าได้ไปภูจา ก, กอมุกดาหารวัดหลวงปู่ล่าก็คงจะได้เห็นนั่นลนะที่อยู่ของหลวงพ่อวัดแรกของการบวชบวชอยู่ที่นั่นถึง9ปี จากนั้นก็อยู่กับองค์หลวงปามหลวงปู่จามนั้นหลวงปู่จามเป็นหลวงอาของหลวงพ่อนะบวชอยู่กับท่านอีกหนึ่งปีออกจากหลวงปู่ล่ามาแล้วนะจากนั้นขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่แหวนอีกอำเภอเพล้าจังหวัดเชียงใหม่1นึ่งปีแล้วก็กลับมาจําบรรษาอยู่ที่วัดหลวงปู่จามอีก1ปีเป็นสี่ปีจากนั้นก็ได้เข้ามาศึกษากับองค์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด เป็นเวลา14ปี 2,112 ถึง 2,125 จึงได้ออกไปอยู่ที่วัดป่านาคำร้อยเดี๋ยวนี้ก็เนี่ย 2,125 ถึง 2,159 เป็นเวลาหลายปีชีวิตของหลวงพ่อที่ว่าฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาขณะนี้หลวงพ่ออายุ72ปีแล้วนะลูกหลานน ะ, ะพรรษาของหลวงพ่อเนี่ย51พรรษา รวมสัมมเนรด้วย8เป็น59เอายุ7จ็2สิบอพันษา59ลูกหลานคิดว่าถ้าหลวงพ่อพูดไปว่าหลวงพ่อฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันหลวงปู่ที่ท่านจากไปหลวงพ่อได้อ่านดูประวัติของท่านแล้วท่านบวชที่หลังหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อนี่ ถึงจะมีอายุพรรษาน้อยกว่ามีอายุพรรมีอายุน้อยกว่าท่านท่านอายุ80กว่าปีนะแปดสิบีปีแต่ท่านคงจะบวชเมื่ออายุมากแล้วแต่หลวงพ่อนี่บวชแต่เป็นสมณีนพอครบบวชพระหลวงพ่อก็ บ, บวชพระเพราะฉะนั้นอายุพรรษาของหลวงพ่อจึงมากกว่าท่านนะมากกว่าหลวงปู่เพราะท่านหลวงปูน 48, ่นั่นคือสพรรษาหลวงพ่อ51าสนะห้ 51, พรรษาลูกหลาน เพราะนั้นหลวงพ่อบวชมาถึงขนาดนี้ละ ล, ลูกหลานทางหลายว่แนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะแสดงให้ฟังหรือจะพูดให้ฟังเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรที่หลวงพ่อที่ว่าฝากฝังชีวิตไว้ในพุทธศาสนาพุทธศาสนาลึกซึ้งอย่างไรมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรหลวงพ่อเนี่ยคงจะเสียใจไหม ที่บวชมาในพุทธศาสนานานหลวงพ่อพูดได้เลยลว่าคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลวงพ่อในภาคภูมิใจอย่างมากที่เกิดมาทั้งที่ชีวิตได้ประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งใดที่มันไม่ดีที่มองว่ามันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันฆ่าตัดชีวิตอะไรก็ตามหลวงพ่อได้หยุดในจุดนั้นวมีแต่ประกอบคุณงามความดี สั่งสมคุณงามความดีสํารวมกายวาจาใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อภาคภูมิใจนะคณะสัาาตยาดิโยมลูกหลานเพราะนั้นขอวันนี้หลวงพ่อมีโอกาสได้มาพบคณะสัตยาติโยมท่านคููบาที่ท่านได้ไป น, นิมนต์หลวงพ่อกคคิดว่าทางโซนนี้นะทางโซนอำเภอกู่แก้วหลวงพ่อยังไม่เคยมาเลยพออยู่ทางโซนน้ำโสม นายงบ้านผือแถบนั้นแต่ทางนี้ยังไม่เคยมาพอพระครูบาอาจารย์ไปนิมนต์หลวงพออ่อเออเอาน่าจับได้มาพบมาเจอกับคณะสัตยาญาติโยมแต่พวกคณะสัตยาญาติโยมก็เคยโปรงจะเคยเห็นเคยพบหลวงพอ่อเคยจะไปกราบาพระภูก้อนบั่งเพราะว่าไปแถบนั้นก็ขึ้นไปก็ไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนหลวงพอ่อเคยเคยเห็นพี่น้องประชาชนแถบนี้ เน่ยบ่อยเหมือนกันแต่ตรงพ่อนี่ไม่เคยมาพวกเขานี่จึงได้มาพบมาเจอกับคณะรัตยา ญ, ญาติโยมพระเนนลูกหลานน้องนุงทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลา ย, าาลายวันนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังแต่หลวงพ่อก็คงจะไม่แสดงธรรมอะไรยืดยาวถกวันนี้นะะพูดให้กระชับหรือว่าให้เข้าใจในการได้ยินได้ฟังต่อต่อนี้ไปก็ขอขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังนะท่าว่าผู้ใด มีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆหลวงพอ่อจะมันเสียงดังก็ให้ปิดไว้ก่อนก็ได้นะเพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเราั้าว่าเสียงวิทยุโทรศัพท์ดังขึ้นเราจะพูดโทรศัพท์คุยกันที่นี่ไม่ได้นะต้องออกไปห่างๆเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงที่จะพูดรับโทรศัพท์เป็นตรงที่ฟังเพราะนันในฟังอยู่ด้วยความสงบเป็นการรบกวนคนอื่นเขาอีกต่างหาก แน่เพราะตรงนี้ไม่ใช่ตรงที่เราจะไปบรบกวนคนอื่นเขาเราต้องรู้จักการสถานที่บุคคลการเช่นนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรสถานที่แห่งนี้ขณะนี้เราควรจะทำตนอย่างไรกลุ่มบุคคกลุ่มชุมชนกลุ่มนี้ในขณะนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรถ้าว่าพวกเราทำถูกต้องนะไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใด ก็มีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นถุกนคณะาทาญาติยงลูกหลานแล้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าเริ่มพิธีกรรมพิธีการในนาตนีนะจะแสดงธรรมและตอนนี้ไปห้ามถ่ายภาพนาตินีนะอยู่ในความสงบนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมะะตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณังเมภวิสติขยะวยะธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันสลดสังเวชใจขบันดาสิท์ญาณุสิ์ทั้งหลาย เพราะว่าพวกเราระลึกถึงออท่านงานจลีละระหว่างงานศพของท่านอาจารย์พระครูของพวกเราที่ท่านได้จากไปเพราะนั้นถือว่าวันนี้พวกเราหลวงพ่อเองจะได้กล่าวออสังเวชทัททนยกถาคือความสลดสังเวชใจพวกเรา ก็ได้คาดคิดไว้อยู่ว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ว่าคําว่าธรรมดาคํานี้ถ้าอยู่ไกลเราเราก็ว่าธรรมดาแต่ถ้าว่าอยู่ใกล้เราที่รับเคารพ เ, เรื่อนับถือเรื่มใสยอยู่ใกล้ๆเราพ อ, อ, อท่านเหล่านั้นท่านผู้ใดก็าตามที่เรารับเคารพนับถือเรื่มใสาจากไปเราก็จะเถือนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันยิ่งมาเจอกับ อยู่ใกล้ๆเราหรือตัวของเราเองก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันเป็นเรื่องที่จะเตือนใจทุกใจไม่ใช่น้อยเพราะนั้นเรื่องมรนังเมคํานี้ อ, อยู่มันเกิดอยู่ณนะที่ใดชุมชนกลุ่มใดอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็มีความทุกข์ใจเป็นธรรมดานี้ก็เหมือนกันท่านอาจารย์พัครูหลวงปู่ของพวกเราได้จากไปบรรดาสิทธิญนุสิธิ ญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่อยู่รักเคารพนับถือเลื่อมใสอยู่ใกล้ชัดกูอยู่ใกล้ชิดท่า น, น, นพวกเราก็จะเตือนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันจะได้ถวายความเคารพหรือว่าความสักกิ์สในสรีระของท่านเพื่อการเป็นการส่งถวายครั้งสุดท้ายวันนี้เป็น กำหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารท่านอาจารย์พระครูสันติธรรมยานวงเล็บหนูจันร์กันตะศีโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหานกู่แก้ววงเล็บธรรมยศและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสิริสารุสิริวัฒนานาเมนชั่วคราว วัดป่าศิริวัฒนาตำบลคอนสายอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่วันนี้เป็นวันวันที่10นะกัศรัทธาญาติโยมเย็นวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2559ขึ้นเจ็ค่ำเดือนเจนะอันนี้ก็คือวันนี้ที่พวกเราได้มารวมกันมารวมกัน หลวงพ่อเองก็ได้มาแสดงธรรมเทศนาได้ให้กับคณะสัตายาติโยมแต่การเทศนาวันนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องเรื่องทานพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ทําทานมาแล้วหลวงพ่อเองไม่เคยตำหนิในประเทศไทยของเราเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยตําหนิไปในสถานที่ใดพี่น้องประชาชนทุ่มเท จะตกปัจจัยดูแลบํารุงพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจไปนักสถานที่ใดแต่พอมาพูดถึงเรื่องศีลพวกเราก็รู้สึกว่าจะห่างเหินออกไปบ้างแต่พอเรื่องสมาธินี่วงบางคนไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้ปฏิบัติเลยเรื่องสมาธิถือว่าเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าถือว่าเป็นของครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัทสจะร่วมกันพิจารณาแต่ว่าการแต่ว่าในการพุทธบริษัท4นั้นถ้าหาว่าเป็นญาติโยมท่านก็ให้เน้นไปในเรื่องทานเรื่องศีลมากเรื่องสมาธิมีบ้างเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่สำหรับพระที่อยู่วงใน ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านให้รักษาศีลศีล ส, สมาธิปัญญาศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยอันนี้คือเรื่องหลักของพุทธะเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะเน้นสาหรับจัตตาญาิโยมผู้มาเกี่ยวข้องในวันนี้เรื่องทานหลวงพ่อจะไม่กล่าวมากนะปัดลงเรื่องทานถ้าว่าผู้ใดก็ตานเรื่องทานเราจะปล่อยปากละเลยไม่ได้ พอเราเกิดมาในในโลกนี้เราไม่ใช่ว่าเราจะพ้นพวกหมดกิเลสในชาตินี้ชาติเดียวก็หาไม่เพราะนั้นพวกเรายัางมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่พวกเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในเมื่อเราเวียนว่ายตายเกิดเกิดในวัฏสงสารพวกเราก็ต้องเตรียมสเสบียงเดินทางเอาไว้คือให้ทานในเมื่อคนทำบุญให้ทานอเนกสงแห่งการให้ทาน เกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอันสนสงทานเกื้อกุนนุนทหาว่าพวกรไรพวกผู้ใดขี้เกียจทําบุญทําทานอันในสงทานไม่มีเกิดมาพบหนาชาติหน้าก็มีอยู่แต่ว่าไม่รวยตหาอยู่หากินลําบากเพราะหลายเพราะอันในสงนในการทําทานไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องทานมันเป็นผลทางของพวกเราที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย ในการเดินทางของพวกเราแต่หากว่าพวกเราไม่ได้ไม่มีการทําทานเอาไว้เหมือนเราเดินเดินทางไปแบบแกล้งๆอย่างนั้นแหละแต่หากว่าคู่ที่มีการทําบุญทําทานเวลาเราจะเดินทางเราก็มีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีล่มมีรองมีรองเท้ามีอะไรทุกอย่างอํานวยความสะดวกให้กับพวกเราแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีอเนสงแห่งการทานไม่มีไปที่ไหนก่ กดๆหยักๆก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาในภพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วเรื่องทานเราไม่ควรจะมองข้ามนะคณ า, า, า, าจารย์ญาติโยมหลวงพ่อบอกว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเหมือนกับสาสามขายอย่างไงคล้ายๆว่ามีความจําเป็นทั้งทั้งสามอย่างเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียกบกับต้นไม้ก็ว่า เ, เปลือกกระพี้แก่น เราจะปราชจากตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เปลือกก็จําเป็นแต่เราไม่ต้องการเปลือกแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเปลือกกับพีและกัแก่นเราต้องการแก่นแต่ทําไมเราไม่ปลูกต้นไม้เราทําไมไม่ปลูกแก่นทีเดียวเลยมันปลูกไม่ได้เพราะนั่นก็ต้องปลูกต้นไม้คือมันมก็ต้องมีเปลือกมีกับพีและก็มันก็สร้างแก่นขึ้นมานี่ก็เหมือนกันอันนี้สงทานและอันนี้สงศิน และก็เราต้องการที่สุดคื อ, คอภาวนาปัญญาภาวนาพ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานอันนี้คือเราต้องการสูงสุดแต่ก่อนที่จะมาถึง จ, จุดสูงสุดนี่มันมาจากเบื้องต้นมมันมาจากทานมาจากเรื่องทานเรื่องศีลเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพุทธพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักทานให้รู้จกักศีล แล้วก็ให้รู้จักภาวนาเนี่ยแหละเรื่องทานอเนกสงแห่งการทานนะลูกหลานนะทายาทโยมเกิดมาพบในชาติใดก็ไม่เป็นผู้ไม่อดอยากแต่เรื่องศีลถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลศีลไม่คุ้มครองอเนกสงศีลไม่คุ้มครองพวกเราเกิดมาพบนายชาติหนาเออกิจวิตของเราก็จะสั้นแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แล้วก็ไปนสถานที่ใดก็มีตะเวนภัยเพราะอะรเพราะเราเป็นผู้ไม่มีศีลในอดีตชาติถ้าเราเป็นผู้มีศีลพวกเราเอาเถอะพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราศึกษาแล้วเราได้ฟังแล้วว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรเรื่องศีลห้าพราะ น, นหลวงพ่อจะอธิบายให้กับคณะรัตยาธิราโยมได้ฟังศีลข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวรมณีเราไปณสถานที่ใดที่มีการทําบุญอย่างวันนี้ละเออเราก็ไหว้พระเราก็สมาทานศินทันทีเออเราก็ไปงานวันเกิดหรือว่างานบุญบ้านหรือว่างานศพหรือ ง, งานที่ไหนพอไหว้พระเสร็จแล้วพอสมาทานศินทําไมคนวารานเขาจึงให้สมาทานศินเพราะว่าศินมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ทางว่าไม่มีใครอธิบายให้ฟังแนะนำให้ฟังพวกเราก็รับไปตามประเพณีเขารับมาเราก็รับไปแต่ตามไม่จริงศีลของพระพุทธเจ้าศีลที่มีคุณค่าถ้าว่าพวกใดรักษาดีแล้วศีลจะคุ้มครองพวกนั้น เ, เกิดมาชาตินี้พวกนั้นจะไม่เข้าคุกนะคนที่มีศีลห้านะคณะัตยาญาติโยมแล้วก็ไปไม่เป็นที่ตาหนิของคน เป็นทีย่ยกย่องของคนทั้งหลายอีกต่างหากอันนี้คือสินยกตัวอย่างอย่างสินห้าหลวงพจะยกเป็น ข, ข้อให้พวกเราทั้งทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาประทังสมาติยามิคือสินข้อที่หนึ่งพวกเราให้งดเวทในการฆ่าถ้าว่าพวกเราไปฆ่าเขาใช่เราไปฆ่าเขา เ, เราก็จะใจอีกต่างหากพอเราไปฆ่าเขา แต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่ผี่น้องลูกหลานของเราวงศ์สาคนาญาติของเราเราก็เสียใจไม่ใช่เหรอเหล่าทุกข์ใจไม่ใช่เหรอทุกข์ใจเพราะเหตุใดเพราะเราเขามาฆ่าเราฆ่าตระกูลของเราฆ่าวงศ์สาคนาญาติของเราในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะเรื่องสิงข้อที่หนึ่งเขาเราฟังดูสินะ เขาเราในเมื่อเขาเราไปฆ่าเขาก็าเสียใจในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอั น, นี้คือศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาขโมยขโมยของเราลนะ่ะขโมยพี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาละ่ะเขาเสียใจไหมขเขาก็เสียใจ เพราะฉะนั้นอย่าไปทําจะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละสินของพระพุทธเจ้าข้อที่สองข้อที่สากาเมสุพิษสาจาราเวรมะนีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักโงนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ําเขาไปทําผิดกฎหมายไม่เคารพประเวณีของเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเมื่อเขาไม่มาทํากับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน ผลนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่3ข้อที่4มุสาวาทาเวรมะนีการโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยไปโกหกเขาเนี่ย เ, เขียนเช็คให้เขาไม่มีเงินเนี่ยเช็คได้ง เ, เขาเสียใจยไหมถ้าเขามาทําให้กับเราเราเสียใจยไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นจะไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าว่าเราในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่ให้พวกเราสังเกตดูคนที่ชอบโกหกก็ล่อนหน้าก็ล่อนหลังจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะทาความชั่วแล้วก็โกหกไปอีกก็ล่อนไปอีกนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คำนี้ให้พวกเราสังเกตนะแล้วก็ข้อสี่ข้อที่5สุราเมรยะมัชัพมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนมากมายทุกวันนี้จะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามถ้าเราเสพหรือดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้จะลาบและล้ลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะคนขาดสติ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่นว่าเราเป็นคนดีๆแต่ทําไมจึงให้ให้ตัวเองขาดสติทําตัวเองให้เป็นบ้าถึงจะเป็นบ้าชั่วข้างชั่วคราวชั่วคู่ชั่วขณะก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละพอมันขาดสติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นให้ติดตามสังเกตดูจริงไหมนะเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราทําสินข้อที่ห้าสุ ร, ราเมรยมัชฌะประมาณ ดื่มสุร้าและเมรัยขาดสติแล้วทําความเสียหายได้ง่ายคนนั้นคนเราจะมีศักดิ์ศรีเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศสสักดิสก์สูงทรงขนาดไหนแต่คนขาดสติเสอย่างเดียวคนเป็นบ้าเสอย่างเดียวเ ม, มาไม่รู้จักจบเสอย่างเดียวคนนั้นก็หมดคุณค่าเหมือนกันนะรตถาญาติโยมลูกหลานนี่แหละเรื่องศีลห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยท่านจึงกล่าว สุดท้ายท่านมวนศีนท่านบรรยายเรื่องของศีนแล้วท่านรับศีนแล้วท่านจึงว่าศีเลนะสุขติยันติผูจะไปสู่สุขติได้เพราะศีนศีเลนะโพก็สัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะศีนศีเลนะนิพุติยันติผูจะไปสู่นิพพานได้เพราะศีนเพราะฉะนั้นเรื่องศีนไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะรัต ย, ยาญาติโยมทุกคนนใส่ใจเรื่องศีนนะ เรารักษาศีลมันง่ายไม่ยากเลยเราตั้งจิตวิรัตเจตนาอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นศีลทั้งนั้นได้ทั้งนั้นนะอันนี้ เ, เรื่องศีลแต่ในหลวงพ่อพูดวัดหลวงพ่อจะเน้นเรื่องสมาธินะเรื่องสมาธิเป็นสิน่งที่จําเป็นสําคัญแต่หลวงพ่อเนี่ยอย่างที่พวกหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าหลวงพ่อเป็นสมณะ อ, อยู่กับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพอเดี๋ยวนี้มีหลายสาย มีมากมายหลายสายที่สอนกัน เ, เพิ่มเติมขึ้นมาอีก ม, มากมายทางพุทธวจนะด้วยทั้งจบน้อพองน้อด้วยทั้งเพ่งดวงแก้วด้วยทั้งมโนมยติด้วยทั้งดูจิตในการนึกคิดของตนเองด้วยมีหลายด้วยมีหลายอย่างแต่หลวงพ่อเนี่ยศึกษามาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่น คือหลวงปู่ล่าก็เป็น ja. ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่จามก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยศึกษามาตามสายแนวแถวสายหลวงปู่มั่นฟองหลวงพ่อจึงเอาแนวทำคําสอนของหลวงปู่มั่นมาแนะนําบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาธิษฐโยมทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะให้พวกเราศึกษาแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่า แนวแถวสายหลงปูมันถ้าเราศึกษาโดยโดยดีแล้วสมาธิท่านทำอย่างไร เ, เรื่องศีลท่านก็ไม่ไม่ให้ประมาทท่านบอกว่าเรื่องศีลจะเป็นออของอย่าไปมองข้ามไม่ได้เรื่องศีลเรื่องกฎและเบียบถ้าว่าพวกพระภิกษุองค์ใดก็ตามไม่อยู่ใ น, นศีลสีลาจารวัตจะนั่งภาวนาจะทำให้จิตใจให้สง บ, บนั้นเป็นไปได้ยากเพราะไรเพราะมันใจจิตใจเป็นมวถิ่นจิตใจจะเศร้ามองเพราะ สินไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นเรื่องศินเป็นสิน่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านบอกกล่าวท่านบอกว่าขอนยูงขอนยางมันไม่เข้าตาคนหรอกมันใหญ่เรามองเห็นได้แต่ผงทุรีเล็กๆน่ยมันปลิวเข้ามาเข้าตาของพวกเราทําให้ตาฟ้าฝ า, างมองไม่เห็นนี่ก็เหมือนกันสิลและวินัยเล็กๆน้อยๆนันะ่นแหละถ้าเราล่วงละเมิดบ่อยๆ กระทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองได้เพราะนั้นให้เคารพนะถ้ารู้ว่าแล้วอันไหนมันผิดยาทำํทำทําในทางในสิ่งที่มันถูกต้องอันนี้อันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนแต่เรื่องสมาธิท่านก็สอนอสอนแนวแถวสมาธิของหลวงปู่มั่นตลอดถึงสอนถึงด้านปัญญาอีกต่างหากอสอนวิปัสสนาท่านสอนยังไงแนวแถวแล้วก็สอนถึงทางให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่มาเวียนไหวตายเกศตายเกิดตัดกิเลสตัดยังไงท่านสอนถึงขนาดนั่นแหละหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวที่ศึกษามาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาหลวงพ่อมั่นใจแต่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเมื่อท่านลบล่วงรับดับขันไปมรณะาภาพลงไปพวกเราได้ถวาย พระราะธานเพิงสรีระสังขารของท่านไม่นานอัฐิท่านและกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตามตาตามใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราจึงมั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ท่านเดินถูกมาถูกทางท่านปฏิบัติอย่างไรเรื่องศีลเรื่องสมาธิจากนั้นท่านเดินปัญญาวิปัชนาท่านเดินอย่างไรแต่โดยมากที่หลวงพ่อได้ศึกษาดูแล้ว ตามสายทางสายทางอื่นๆนะถ้าท่านเรื่องสมารเรื่องวิปัสนาเดินปัญญาแล้วท่านพูดไม่ออกเลยนะท่านพูดน้อยมากแต่สายหลวงปู่มั่นของเราองคหลวงตามหาบวนเรื่องวิปัสนาโอ้รู้สึกว่าลึกซึ้งมากละเอียดถี่ถ้วนมากถ้าว่าการที่จะเดินวิปัสสนานั้นต้องได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ต้องมีครูบาอาจารย์ในจุดนี้เรื่องศีล เรื่องมันก็อยู่ในตำรับกํรราเรื่องสมาธิก็ไม่มากสมาธิมีน้อยแต่พอถึงวิปัสสนาจุดนี้ลหละต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกกล่าวจึงจะเดินถูกทางถูกทางไปได้ถึงไม่ให้เสียเวลาในการเดินเดินมรเข้าสู่มรผลนิพพานนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราคนณะศึกษาให้ศึกษานะัักธรรม คำสอนที่ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนี่ยพวกเราให้ฟัง อ, องค์หลวงตาเทศนาอยู่ใน m p สาของท่านหรือในเทปของท่านหรือในหนังสือของท่านพวกเราให้ศึกษาให้เข้าใจวิธีการเดินวิปัสสนานะท่านเดินอย่างไรเรื่องสมัตทํารมจิตใจให้สงบอันนี้เรียกว่าสมถาัถทํากจิตใจให้สงบท่านมีหลายวิธีแต่หลวงพ่อเองจะ เ, เน้น ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ดูได้ศึกษาว่าครูบาอาจารย์องค์ใดก็าตามที่สอนออมีมากมายในประเทศไทยตลอดถึงหลวงพ่อไปต่างประเทศไปอินโดนีเซียไปเห็นแล้วโหยังรู้จักว่ามากหลากหลายที่เบตเขาก็สอนจังนึงลังกาพมา่า เ, เกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นสอนไปคนละทิศกระทางกัน แต่สรุปแล้วถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาให้ทีท้วนนะพวกเราจะหลงทางทันทีเลยแหมพรหลงหลงไม่รู้จะยึดยังไงแต่ถ้าหลวงพ่อไปฟังเอาท่านสอนยังไงเราก็นั่งฟังนะพ่อฟังเสร็จแล้วเราก็สรุปได้เลยว่าไม่หนีออกจากสติปัฏฐานสี่นะถึงจะสอนยังไงก็ไม่ไม่หนีออกออกจากสติปัฏฐานสี่คือสติปัฏฐาน4ี่นะี่คือพระพุทธเจ้าท่านได้วางเอาไว้แล้วว่า สติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมไม่ไนีออกจากหลักสีข้อนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายก็คืออะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกก็คือกายยกหนอพองหนอก็คือกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือกายหรือว่าการกำหนดให้การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนก็คือกาย เวทนาก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเรียว่าปวดแข้งปวดขาให้กําหนดดูในจุดที่มันเคลื่อนไหวหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเรียกว่าดูใจของตอนเองอีกต่างหากเวลามันสุขสุขใจไปยังไงทุกใจไปยังไงเรียกว่าสุขเทสุขคเวทนาทุกคเวทนาสุขคเวทนาคือมีความสุขทางร่างกายหรือสุขจิตทางจิตใจอันนี้เรียกว่าสุข ทุกขเขวทนาทั้งสุขทั้งทุกเวทนาอันนี้ก็คือเวทนาแต่นี้เวทนาจิตจิตคือความนึกคิดเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรอันนี้ว่าจิตตานุ ป, ปัฏฐานธรรมมาธรรมานุ ป, ปัฏนาจจติปัฏฐานก็คือธรรมารมณ์ใจของเรามีอารมณ์เข้ามากระทบมาอาบดีใจมากระทบเสียใจ สิ่งที่มากระทบทำให้จิตใจของเรากระเพื่อมขุนขุนข้องมองใจอยู่ตลอดเวลาดีใจเสียใจดีใจกระเพื่มอยู่ตลอดลอันนี้เรว่าธรรมมาธรรมอารมณ์เพราะนั้นหลักที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ละคณาจารย์นั่นถ้าเรารู้หลักใหญ่ๆแล้วเราจะจับได้ว่าท่านสอนในในในหลักไหนในสิจิติปฐานสีเนี้ บางบางทีท่านก็สอนเรื่องอทำมารมที่มากระทบให้สังเกตดูนะสัเงเกตดูใจของตัวเองนะ เ, เวลามันมีอารมณ์เข้ามามันเป็นยังไงมันขุ่นข้องหมองใจอย่างไรอันนี้ก็ท่านก็สอ น, อ ท, น, สอนอท่านก็รู้จิตของตัวเองจิตของเราตามดูสิมันนึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้อันนี้เราก็ดูจิตตามปัพนาเวทนาก็เหมือนกันและกกายาเหมือนกันแต่หลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่น ท่านบอกว่าท่านสอนเรื่องอกายอยาต้องปัสฉนาสติปัฏฐานถ้าหากว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายเใจออกยังจับไม่ได้อย่าหวังเลยที่จะไปดูจิตความนึกคิดของจิตหรือทำอาบนึกไปจับอารมณ์ของจิตใจเพราะฉะนั้นท่านให้ดูของหยาบซะก่อนเถอะะนะหลงปูมันเออครูบาอาจารย์ให้ดูของหยาบซะก่อนเมื่อดูของหยาบแล้วเมื่อเห็นหยาบแล้วต่อไปเราจะเห็นละเอียดจับละเอียดได้ แต่ขนาดของหยาบๆก็ ย, ยังจับไม่ได้เราจะไปจับของละเอียดได้อย่างไรเนี่ยท่นานวาอย่างนั้นแต่ที่ถ้าจะจับของหยาบจะจับยังไงท่านบอกว่าให้เวลานั่งภาวนา อ, อ, อยู่ในห้องพระกอดีอยู่ในที่บ้านอยู่ในที่มุมสงบขณะที่จะนั่งสมาธินะี่ฆราวาสก็ทําได้นะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพุทธบริษัท4ภิกษุและธรรมเนรด้วยอุบาศกผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย นั่งสมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขสุขกายสุขใจสุขมีความสุขพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารทุกคนเราวควรปฏิบัติควรปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมอบให้บุบคคลใดใครคนนั้นก็เหมือนกับเราเไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปทานอาหารเราไม่กินข้าวเราไม่กินให้คนไหนที่เขากินจะเป็นใครก็ตาม ทานอาหารกินข้าวเขาก็ต้องอิม่มตัวเองไม่กินแล้วจะอิ่มได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันนะการประพฤติปฏิบัติของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่ใส่ใจไม่ปฏิบัติผู้ที่สนใจปฏิบัตินั่นแหะท่านเหล่านั้นไปถึงได้รับมรกรับผ ล, ลได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้าน จ, จิตใจเพราะท่านวิธีการปฏิบัตินั่งสมาธิตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านสอนนะ เ, เวลานักก็ไหวพ้พร ะ, ะกราบผ้ากรอระหัง สวาขาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็กล่าวนาโมสามจบนโมตัดสะปะคะวะโตข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัทจากนั้นเมื่อกล่าวนาโมสามจบแล้วก็กราบพระถ้าอะไรถ้าเราไหว้พระได้ามากกว่านั้นก็ไหว้นะกาวดลยะยะที่พิโสปะคะวะารางังสวดไป เ, เรือบสวด ที่เราจะสวดได้นะ่ะสวดให้มากที่สดนะุดหรือเรื อ, เ, รอเท้าเราไม่สวดมาก เ, เราไม่มีเวลามากเราจะปูดแต่阿拉หังสวากาโตสุปฏิปโนโนะโมตสสะพุทธังธรรมังสังขังเพียงแค่นี้ก็พอจากนั้นก็กราบแล้วก็แผ่เมตตาในจิตใจคําแผ่เมตตาในจิตใจผู้บายอาจารย์ท่านสอนแบบให้ง่ายท่านบอกว่าให้นั่งปนมมือและหลับตาทําใจให้เน่งเน่งทใจให้เป็นกลาง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 นีครับสมาธินะจ๊ะเ่ขาขวาทับขาซ้ายพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบรอยแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกอันนี้เริ่มพิธีการนั่งสมาธินะคณาจารย์โยมหลวงพ่อจะสอนวิธีการเริ่มนั่งสมาธิทําอย่างไรเนีเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าเนีเพราะ ที่เราปฏิบัติทำไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ใช่ของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เอานั้นเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมาสอนอีกทีนึง เ, เพราะฉะนั้นเราจรึงไหวบวลมครูของพวกเราเลยปั่นมมือขึ้นระหว่าง อ, อกก็ไหวพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสมจบนะคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองได้ประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเป็นพระธรรมทั้ง8ป0 0 0พันพระธรรมมากันคือ8คือศินหหรือศินสมาธิปัญญาเนี่ยคือพระธรรมคำสอนของพุทธะนี่แหละที่ท่านประกาศออกมาพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่แนะนําสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอันนี้คือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจึงยึด พระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเรายึดผู้ดีนะท่านผู้ดีมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉ บ, บับและเป็นที่พึ่งของพวกเราจากนั้นก็เอามือลงพ อ, อมือลงเรากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดนดะหายใจบริหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ของท่าน แต่พระพุทธเจ้านะพระบรมมรรคทูพระพุทธเจ้าของเราในวันที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นท่านนั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าในวันที่ท่านได้ตัดรู้ท่านกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลงมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพราะน้ให้กำหนดและให้บริกรรมพดด้วยน ะ, เ, ะเวลาหายใจเข้าพดหายใจออกโทหายใจเข้าพดุดหายใจออกโทไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องนะเวลาหายใจนะหายใจเพียงแต่รู้ที่ปลายจมูกเท่านั้นละ่ะเหมือนกนรารยืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาในบ้านเราก็รู้ว่าคนเข้า คนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปไม่ต้องตามคนออกไปและไม่ต้องตามคนเข้าไปในบ้านเพียงแต่ให้รู้ว่าคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกอันนี้ก็เหมือนกันให้รู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเท่านั้นจำหนดที่ปลายจมูกหายใจเข้าพดหายใจออกโตแต่มันจะให้มันอยู่ทีเดียวไม่อยู่นะมันจะเผลอสวัดไปพอเผลอจะเอากลับดึงกลับคืนมาดังกลับคืนมาแล้วก็เผลอไปอีกดึง ให้มันกลับคืนมาอยู่ที่ปลายจมูกแต่ถ้ามันเผลอมากๆเอ๊ะมันทําไมไม่เผลอพุทโธให้ถี่ดูสิแล้วกับบริกรรมสำทับพุทโธอยู่ในใจของเรากับตัวนึกคิดที่มันออกไปมันปรุงออกไปนั่นแหะให้อยู่กับพุทโธสิบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสำทับอยู่ที่ใจของเราอันนี้แหะคือการภาวนาพุทโธนะแต่หลวงพ่อเองเคยแนะนําสมท่านี่นะ สมถะคือทำจิตใจให้สงบเนี่ยหลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวกับคณะสัตยาญาติโยมว่าถ้าหากว่ามันไม่อยู่พุทโธก็ไม่อยู่เอ้มันออกไปได้อย่างไงใจของเรามันออกช่วงไหนมันออกอย่างไรมันออกใช้เวลาอย่างไมออาางไมันออกไปให้พวกเรานับดูนะหลวงพ่อบอกนะวิธีการคือหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วนะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3ามสี่ห้าหก็ด แปด0้าสิบไปถึงร้อยนะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนับจนถึงร้อยไม่เผลอให้กลับมาแต่มันเผลอนะ่ะบางคนนับไม่ถึงสิบมันเผลอแล้วไม่ถึงยี่สิบไมันเผลอแต่ถึงยังไงก็ตามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าให้มันเผลอนะ่ะเพามันเผลอมันเผล่อย่างไรเนะี่ยเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี่นะคณะสัตว์ยญาติโยมลูกหลานนะหายใจออกเป็นเลขขี้คือหนึ่งเวลาหายใจออกเป็นสอง หายใจเข้า3หายใจออก4หายใจเข้าค่า5หายใจออก6สรุปรกค็คือขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แต่พอมันจะเผลอมันจะบอเบอร์ซะก่อนเวลาหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่นะสิหายใจออกเป็นเลขคี้จะว่าเผลอแล้วนะนะไอ้มันเผลอแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่อีกอย่าไป น, นับต่อเราจะเรียนรู้ว่าสติของเรามันดีขนาดไหนเนี่ยแหละถ้าเราตั้งสติให้มั่นๆให้จะแท้ให้มั่นคงนะ เราจะนับสมันับไม่เผลอเลยถึงร้อยถ้าถึงร้อเออสติของเราดีหนึ่งนาทีกว่ า, วาเมื่อเรานับถึงร้อยนะนี่แหละให้พวกเราคณะรทาญาติโยมภาวนาให้ดูทดลองดูซีแต่ถ้าว่าเราเผลอบ่อยๆอย่าไปชะล่าใจนะจะไปดีใจนะเอ้มันทํำไมเผลอแล้วก็ปล่อยวางไปเลยไม่ทําเลยนั่นแหละต่อไปภายภาคหน้าอีกไม่นานนะอันไซเมอร์และความหลงลืมเออ สมองของเราจะเบร์ไปเลยจีนี อ, อกินข้าวแล้วก็เหมือนกับไม่ได้กินข้าวนะกูไม่ได้กินข้าวนะสูงนะวันนี้นะทั้งที่เขาเอาข้าวมาให้กินมาดๆให ม, ห ม, ห ม, หม่ๆเพราะมันหลงมันลืมนะเพราะอะไรเพราะเราขาดสตินะเพราะฉะนั้นให้ฝึกเอาไว้เรื่องสติตัวนี้มีประโยชน์นะคณะทาญาทโยมทุกท่านนะให้ภาวนาเนี่ยเรื่องภาวนามันมีประโยชน์นะจากนั้นเมื่อเราภาวนาทําจิตใจให้สงบ เ, เมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบนะ เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทําเรื่องสมปทาทำจิตใจให้สงบอีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยนะใจของเราจะสงบนิ่งนะพอจิตใจของเรารวมสงบนะมีจิตใจสงบมีอยู่3มระดับนะตามที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวนะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่บางคนบางท่านก็ว่าชาญพวกเราจะไป สนใจแต่เรื่องฌานนะเพราะฌานเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตใจไม่สงบเราจะเกิดฌานไม่ได้เพราะนั้นพวกเราจะไปสงจิตขณะนี้มันเป็นฌานไหนขณะนี้เป็นฌานมันเลยยุ่งเรื่องฌาน เ, เอยเพราะฉะนั้นจะไม่จิตใจมันจะไม่สงบเพราะนั้นเราไม่ต้องสงดูหรอมันจิตมันสงบยังไงคณิกกะคือจิตสงบชั่วคู่ชั่วขณะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่เมื่อจิตใจรวมสงบ สติกับจิตจิตใจของเราไม่เผลอแปลว่าสติของเราควบคุมจิตอให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในในการควบคุมของสติอยู่เหมือนกับเราเอาเชือกผูกคอวัวคอควายคอหมาอย่างนั้นะหละใครเข้าามันจะไปที่ไหนมันก็มีเชือกอยู่ในคอมันอยู่ในมือของเราอยู่มันไปที่ไหนไม่ได้นี่ก็เหมือนกัน ถ้าวัตสติของเราจับจิตมันอยู่จิตมันจะไม่ทะเลทลายจิตจะไม่ปรุงฟุ้งซ่านอันนี้เราอุปจารสมาธิถ้ามากกว่านั้นจิตใจของเรารวมสงบเหมือนกับวัวควายมันนอนอย่างนั้นแหละพอจับเข้าไปมันนอนมันไม่ไปที่นี่มันเน่งมันนอนมันนอนเขี้ยวเอื้องอยู่นั่นแหะมันนอนอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจที่มันเน่งมันไม่ปรุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่าน อันนี้เราอัปปนาสมาธิแต่อบปปนาสมาธิพอสองอบลงแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเป็นอุปจารสมาธิและก็เป็นจิตปกติเป็นจิตเหมือนกับจิตของเราท่านทั้งหลายอีกแต่มันออกจากคณิกะแล้วกันี่ะเป็นจิตใจธรรมดานี่แหละคือสมาธิแต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าทำท่านผู้ใดทำจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งจนถว่าเป็นเหมือนกับควายหรือวัวที่มันนอน มันนิ่งเออมันไม่ขยับทันนี่เราจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินึกเมื่อจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจุดนี้แหละมันชัดในจิตใจของพวกเราใจของเราดูแล้วว่าจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใด จ, จิตเป็นอันนั้นคือจิตสงบในเมื่อผ่านความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกัน เป็นคนเป็นคนได้อย่างกันกายคือรูปประธรรมใจคือนามธรรมกายรูปประธรรมกับนามธรรมอาศัยกันอยู่แต่ร่างกายจะขยับขยื่นไปได้ต้องอาศัยนามธรรมแต่ในหลักทางโลกของเขาเนี่ยเขามองไม่เห็นเขายังหามาเจอเรื่องนามธรรมแต่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโผธท่านรู้ท่านนั่งสมาธิ ท่านรู้เท่าไหกายของท่านเนี่ยคืออะไรใจของท่านคืออะไรใจของท่านคือตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนึกคิดเนี่ยที่มันอยู่ในสมองหรือใช้อยู่ที่อื่นมาใช้ม่ใช้ร่างกายของเราให้นึกคิดเรื่องอะไรทำอะไรเป็นเรื่องของใจทั้งหมดเพราะนั้นในหลกทำคำสอนของพธธุทธะพราะพระติจ้าท่านจึงตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจก็คืออะไรคือนา ม, มาธรรมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังใจเหมือนกับ เ, เหมือนกับรถนะร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับเหมือนกับโซเฟอร์รถนะมันอยู่ในตัวของเราแต่ตารทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์รถมากกว่ามากกว่ารถนะเพราะรถคันนี้มันจะไปได้มันก็ต้องอาศัยโซเฟอร์ครับ ถ้าซเฟอร์เกเรซเฟอร์นิสัยไม่ดีโซเพิ่มมุทะลุเนี่ยพอขับรถขึ้นมากระแทกหน้ากระแทกหลัง เ, เสียวเวียงซ้ายเวียงขวาเพือเพื่อหักพวงมาลัยลงข้างถนนอีกต่างหากเพราะอะรเพราะโซเฟอรอ์ไม่ได้รับการอบรมโซเฟอร์ไม่ได้รับการศึกษาโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมันเป็นอย่างนั้น เ, เพราะฉะนั้น เรื่องศีลธรรมของพระพุทธญาณท่านให้อบรมโซเฟอร์คือใจทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจะรู้เหตุผลสิ่งควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นเรื่องสมาธิไม่ยไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะขนาาา้าราชกาญาติโยมโ ล, ลูกหลานนะในเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วไม่ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะ่ะ อพรนั้นคือสมัสถะทาจิตใจให้สงบต้องเดินวิปัสนาตอท่านเดินยังไงเดินวิปัสนาท่านบอกว่าทําเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาร่างกายร่างกายสังขารของเราเนี่ยเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกายอาการ32ของร่างกายตับปอด หัวใจเนี ogene, right <uned> ่ยอยู่ลำไส้อยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราทุกส่วนจะนั้นก็พิจารณากระดูกอีกร่างกายของเรามีกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีขากรรไกรมีฟันมีกระดูกคอกระดูกไห้ปลารากระดูกแขนกระดูกขากระดูกสันหลังกระดูกสี่โครงร่างกายของเรามีกระดูกงั้นใช่ไหม ในเมื่อพญดาเห็นร่างกายว่าเป็นกระดูกอันนี้แหละคือวิปัชนานะแยกแยให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นเปนเป็นจริงอย่างนี้ใช่ไหมในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราจะอยู่นานจักเท่าไหร่เอ่มันอยู่ไม่นานนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละแต่ละคนไม่มีใครกําหนดว่าชีวิตของเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็ต้องเจ็บตาย ต้องแตกสลายหลงสูดดินน้ำหลงไฟในที่สุดอันนี้เมื่อร่างกายแตกตายสลายหลงสูดดินน้ำหลงไฟแล้วใจของเราถินตัวนมามธรรมที่มันผ่านความสงบแล้วนั่นจิตที่ผ่านความสงบที่เป็นสมาธิแล้วนั่นมันก็ดูดูกายพราะดูกายแล้วก็ย้อนมหาดู ด, ดูตัวผู้รู้คือตัวตัวเองเลใจทำไมเราจึงไปหลงร่างกาย ร่างกายตอนนี้มันไม่มัน่นไม่มั่นคงถาวร น, นะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้มันจะแตกตายสลายหลงถูดินน้ําลมไฟเมื่อไหร่ในเมื่อร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตายสลายอย่างนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ละ่ะสามีภรรยา ล, ลูกหลานละ่ะเงินคำทรัพย์สมบัติขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อยู่เหลือใจไนงะ แล้วมันย้อนมาหาตัวผูร้รู้คือนามวัฒน ม, มาหาใจแล้วเเพราะจิตใจผ่านความสงบแล้วมันเห็นชัดนะแล้วมันเห็นชัดจากนั้นก็จิตใจอื้อใช่เออมันสิ่งเรานั้นเป็นเพียงเทียบปัเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วข่าวอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งกระทั่งร่างกายของเราด้วยนี่แหละใจให้ดูนะใจนะจากนั้นก็ใจเราก็มองดูใจทั้งตัวเอง เพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างออกปักออกไปจากใจทั้งหมดที่นี อ, อมันไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นออกไปจากตัวผู้รู้คือนมามัธรรมตัวนี้แนหะเป็นตัวการใหญ่เมื่อจากนั้นเรามาเพิจรณ า, าถึงตัวผู้รู้ใจของเราเพราะขาเห็นใจของเรามองใจของเราอีกเห็นอ น, นิจจงอีกสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตามันปล่อยวางที่ใจนะคณะสัตธาย่าโยมลูกหลานนะ นี่ก็คือพอปล่อยวางที่ใจพอปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสรู้แก่ใจเรารู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเรามีนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายก็แล้วจิตใจของเราก็เป็นอิสระ เ, เป็นไทยแล้วไม่ตกอยู่ใน ใ, นใต้ของกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจเป็นจิตใจที่บริสุทธ์ นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะแอบอันดับแรกก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิจากนั้นก็เดินวิปัสสนาปล่อยวางถึงร่างกายสังขารของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ยกเป็นพุทธภาชิตว่ามรณงเมภาวิจติขยะวยะธรรมมาสังขาราอปรมาเดนะสัมปาเดธาติ ความแปลและความหมายคือว่ามรณงเมภาวิสติข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะนรัตถายาโโจมเอาความตายมาพูดให้กันฟังเอาสัก จ, จะของจริงมาพูดให้กันฟังพวกเราจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เ, เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดมรณงเมภาวิสติข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า และท่านสอนว่าขยวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้เราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงขยวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแปรแตกตายสลายในที่สุด ขอให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตน<ม>ก็ทําหน้าที่การงานเสร็จแล้วให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ปฏิบัติให้เข้มงวดขวดขันกับตนเองประกอบคุณงามความดีอย่าประมาทอันนี้ก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมพอที่จะช่วยเหลือเขาได้อันนี้เมื่อเราอยู่ด้วยกัน ถ้าว่าเราปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์นี้พวกเราจะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นจุขแต่หากว่าพวกเราปฏิบัติไม่ได้ไม่ถูกต้องนะอีกสักวันหนึ่งนะแต่พวกเราจะทุกยากทุกใจเพราะนั้นให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่วันไหนละเออเดี๋ยวนี้เราอยู่อย่างนี้นะ่ะเอออีกสักวันหนึ่งเออเมื่อพยามัจจุราช ยมรรทูดเขาบอกว่าเออคุณมาเกิดแล้วนะ เ, เมื่อไปเกิดแล้วตั้ง อ, อกตั้งใจประกอบคุณงามความดีนะแต่ถ้าคอยดูนะถ้าวีซ่าไปถึงเมื่อไหร่ท่านจะได้กลับบ้านเก่านะไปยาธุมบรรทูดเขา เ, ข า, เขาบอกจากนั้นเขาก็ปล่อยพวกเรามาเกิดใช่ไหมพอเรามาเกิดทีนี้บางคนพอามาเกิดแล้วก็ลืมตัวทีนี่จริงไหนที่มันชั่วแล้วก็ทาไปหมด เที่ยวกลางคืนเที่ยวตู้กันเล่ น, เ ล, นเล่นกนรารพนันอบายมกทุกอย่างสนุกสนาน เ, เราไม่ได้ระ ล, ลึกถึงว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องกลับกลับบ้านเกา่าเราไม่เคยคิดเลยไว้เลยแต่ถึงวันนั้นมันต้องได้กลับบ้านเก่านะเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านถึงจะมาเกิดแล้วนะอีกสักวันหนึ่งพยาบัรจุราชท่านก็จะส่งวีซ่ามาให้เราพวกเราได้รับวีซ่าแล้วก็ต้องได้เดิน ได้กลับบ้านเก่าอย่างองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยหลวงปู่หนูของเราขณะนี้พวกเราได้ท่านได้รับวีซ่าแล้วนะท่านจะเดินทางกลับบ้านเก่าไปพอเรามาส่งมาส่งท่านขึ้นเมนมาส่งขึ้นเมนท่านก็จะได้กลับบ้านเก่าของท่านแต่พวกเราก็น่ะออกมานั่งอยู่ข้างนอกพอท่านก็ไปตามลําพังระบัดเนี่ยอัจจิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหิตนาโถปรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปที่เราได้กระทําไว้เท่านั้นหลวงปู่ท่านก็ไปตามเรื่องของท่านท่านได้บาเพ็ญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาของท่านท่านคงจะไปสู่สุคติตามที่ท่านได้กระทําไว้ไม่รู้ว่าท่านจะไปที่ไหนละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของท่านที่จะต้อง ท่านจะต้องเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะคณะสัตยาญาติโยมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประอกอบคุณงามความดีถ้าว่าพวกเราถึงจุดนั้นถึงจุดจบจุดนั้นเราได้วีซ่ามาแล้ว เ, เราจะหา เ, เราจะไปยังไง เ, เรามีเงินในกระเป๋าหรือเปล่าแนตะ่เพิ่งมามัวเมีหาเงินในช่วงนั้นไม่ทันนะเพราะนั้นเราพวกพวกเราควรจะเตรียมพร้อมหาเงินไว้แต่เนิน่นๆ งานงันกน็คืออะไรคือหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเนี่ยพวกเรามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้เตรียมเอาไว้อีกสักวันหนึ่งนะพวกเราถึงวีซ่ามาถึงแล้วพวกเราจะได้เดินทางไปด้วยความภาคภูมิใจเออ เรามีทุนมีเงินในกระเป๋าแล้วเราจะไปในสถานที่ใดจะจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปสู่สวรรค์ชั้นใดหรือจะไปสู่พรหมหรือจะเข้าสู่นิพพานก็ไปได้ทางนั้นเพราะว่าเรามีทุนในกระเป๋าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดไปเลยไม่ได้เชื่อไม่เชื่ออีกต่างหากในเมื่อใจเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วนะบางทีอาจจะเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันใด นานับประ ก, การไม่ชัวร์เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นมแมลงเป็นสัตว์เป็นอะไรได้ทั้งหมดนะพระนริศธาญาติโยมนะใจของเรานะคนไม่มีบุญมันไปได้ทั้งหมดคนมีบาปนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสน า, าควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้พวกเรากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่หลวงพ่อได้กล่าวาทีแรกก่อนสังเวทในยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับให้พวกเราได้คิดกันกลองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้มาเกิดนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะคณาพเจ้าทายญาติโยมลูกหลานนะปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิธิปฏิรูประเทสวาโซจะเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย ไม่อดไม่อยากอาหารการบริโภคผมถึงจะไม่ล่ำไม่ลัวก็มีอยู่มีกินเออไม่อดข้าวมีอดอาหารอย่างต่างประเทศของเขาประเทศของเขาบางประเทศโอ้อดอยากจริงจริงเออข้าวจะกินก็ไม่มีอันนี้คือไม่เป็นประเทศที่อดอยากแต่ประเทศของไทยของเรามีแต่จะขายข้าวขายไม่ออกแต่มันมันเยอะเกินไปฮนี่แหละปฏิรูประเทศวะโซจะปุกเพจากกตะพุญญตา พวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะ่ะอย่างพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้แหละพวกเราทําบุญทีไรเราก็จบเออของไทยธรรมผลชี้สารสาทูเนอร์ผู้ฆ่าเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ได้พบพบพุทธศาสนาได้พบคนดีเออเกิดมาพบใดชาติใดย่าให้ข้าพเจ้าอดอยากให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข ก, กายสุขใจให้ได้บําเพ็ญหาทางพ้นทุกในวัตะสงสารเดินทาง ตรงต่อพระนิพพานอย่าได้พบคนพาลอย่าไปพบคนที่มันไม่ดีเนอ้อให้ได้พบจะบัณฑิตนักปราชญ์นะพวกเราตั้งความปรารถนาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเกิดมาพบนิชาตินีนะ้เพราะนั้นพวกเราคงจะได้ทำคงจะตั้งความปรารถนาในอดีตชาตินะพวกเราจงมาได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะไมาเกิดแผ่นดินไทยแล้วกเนี่ยได้พบ พ, พุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหาก แต่ภาคถ้าหากว่าพวกเรามาเกิดแล้วเท่เนี่ยพอมาเกิดมาหลงลืมตัวท่นี่ยไม่ได้้ระลึกถึงคุณงามความดีอีกต่างหากเผลอเลย อ, อีกต่างหากไม่เชื่ออีกต่างหากเยอันนี้แปลว่าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วตั้งอยู่ในความประมาทปุกเพจ ก, กะตะพุญญาตาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําความดีไว้พวกเราจะไม่ได้มาเกิดอย่างนี้นะ แต่ว่าอัตตะสมาปนิที่เนี่ยถ้าว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะ เ, เราประกอบแต่ความชั่วไม่ประกอบพุงามความดีความชั่วจะให้ผลนะทเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราจะไปเกิดทีนะ่แต่ประเทศเอฟริกาขารีบๆท้องโกโตหัวใหญ่ๆตัวดำๆ อ, อ, อ, อ, อาหารไม่มีกินอีกต่างหากเนี่ยนะนะเราอาจจะไปเกิดที่นู่นก็ได้ เ, เมื่อเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะ เพราะนั้นพวกเราให้ตั้งตนไว้ชอบนะให้ปรารถนาและประกอบคุณงามความดีเพื่ออนาคตของพวกเราบุญบาปมีจริง น, ะนรกนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะักหนาศรทายญาติโยมถ้าเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องประมาณการไม่ต้องเดาให้พวกเรานั่งสมาธิถ้าเมื่อเรานั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่านี่ละใจของเราเนี่ยตัวนี้นะนามมาทัทธรมตัวนี้แหะจะพาไปเกิดจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆมันเห็นได้ชัดนะกายกับใจแต่ร่างกา ย, ยแตกตายสลายเผาไยทิ้งแน่นอนอย่าหลงผู้นี่อีกไม่นานนะพวกเราก็จะปร ะ, ประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงสิริระคัของท่านนะแต่นามมาัธิมคือใจของท่านนะจะออกจากร่างนีแล้วนะไปสู่สวรรค์ชั้นโรมไปดู ไปที่ไหนๆของท่านไปตามลําพังของท่านพวกเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นหลักพิสูจไม่ต้องพิสูจ์จากอือนให้นั่งสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันจะเป็นองค์ไรก็าตามจะเป็นหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปูอออ่อ่อนหลวงตามหาบัวก็เถอะทุกองค์เลย ท่านที่ท่านภาวนาอย่างหลวงพ่อนี่ก็เถอะนะมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อตายแล้วเกิดได้ตายหรือโอ้ยตายแล้วเกิดแน่นอนลูกหลานอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาเนอถ้าจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วไม่ต้องถามใครหรอกรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุใดว่ามันชัดมันเห็นได้ชัดร่างกายนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไปแน่นอนแต่นามธรรมาตัวนั้นล่ะจะไปเกิดปฏิสนธิในไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปยึด ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นม้าช้างม้าวัวควายหมูม้าเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นพ่ออะไรเพราะใจตรงนี้แนหะตัวนามะธรรมเท่านั้นจะพาไปเกิดนะถ้าใจดวงนั้นนามะธรรมดวงนั้นมีบุญมีกุศลก็จะไปสู่สุขติถ้าว่าจิตใจดวงนั้นมีบาปอักกุศลมากบาปอักกุศลก็จะล็อกดวงวิญญาณนั้นไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานเพราะฉะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลไว้จะตั้งอยู่ในความประมาท วันนี้ได้กล่าวสังเว ท, ทนิยกถาให้กับคณะทาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายได้ฟังด้วยบุญกุศลบา ร, รมีของอาจารย์พ่อครูของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีมานมนานขอให้มาคุ้มครองพวกเราอีกส่วนหนึ่งด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคนญ อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองคณะสัตยาญาิโยมขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆุกท่านทุกทุกคนด้วยเถินสาธุคณะสัตยาญาณโยมวันนี้หลวงพ่อได้แสดงธรรม เพื่อเป็นการบูชาท่านผู้ที่หลวงปู่ท่านอาจารย์พระครูได้ล่วงรับไปเป็นการแสดงธรรมเพื่อสลองเสริมศรัทธาญาติโยมเพื่อในการแสดงธรรมในคราวนี้จตุปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมได้ถวายนะปัจจัยถวายหลวงพ่อหนึ่งหมื่บาทนะและก็หลวงพ่อได้อย่างโคตกได้พูดให้ฟัง ว่าหลวงพ่อได้นำผ้าไตรสองไตรผ้าไม้สองไม้และวอดเจตุปปัจจัยอีก1 0 0 0 0บาทและวันนี้อีกเนี่ยธรรมเทศนาอีกหลวงพ่ออีก1 0 0 0 0บาทหลวงพ่อขอสมทบในงานศพท่านอาจารย์พ่อครูเนอร์ครูลหลานเนอร์เอาไว้ใช้ในงานพรพวกเราจะเดินถวายครูบาอาจารย์อีกมากมายแล้วก็พร้อมกัน หลวงพ่อได้เอาหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อได้อถือมาด้วยเนี่ยเป็นหนังสือธรรมเทศนาชุดต่อต่อต่อต่อต่อแปลว่าเตรียมตัวตายเอธรรมเทศนาชุดเตรียมตัวตายแล้วเอ็มพีสามอีกสองแผ่นนะอถ้าว่าท่านผู้ใดได้รับไปแล้วก่อนน่ะเตรียมตัวตายเตรียมอย่างไรหลวงพ่อดิ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 ถ้าว่าเราคิดไว้ในใจอย่างนี้นะถ้าโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากนะคโกรดไม่ได้โกรธไปทําไมถ้ารักใครก็ไม่รักมากอีกเหมือนกันพเพราะนีรถไปอีกสักวันหนึ่งเราจะหนีจากการอยู่แล้วนะเออว่าเราจะหนีจากการอยู่แล้วจะรักไปทําไมจะรักให้งโงท่ทาไมจะโกรธให้งโง่ทําไมใช่เพราะฉะนั้นเราคิดไว้อยู่ในใจเพราะนั้นต่อๆ่เตรียมตัวไว้อยู่เสมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีพระฝรัง่งชาวเยอรมันเป็นสายของหลวงปู่ชานะ แหมท่านก็ไปถามหลวงพ่ออายุของท่านประมาณสักห้าสิบต้นๆ น, นะแหมท่านว่าท่านท่านอาจารย์ผมขอถามปัญหาท่านอาจารย์เราก็เห็นฝรัง่งอย่างเงี้ยฮท่านไปถามที่อื่นถามจนหลอนแหลกพแรลงแล้วจะมาถามหลอกๆเล่นๆกับผมไม่ตอบไม่ใช่ผมถามที่อื่นผมถามมาแล้วแหมท่านก็ตอบผมมาแล้วแต่ น, นี้ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบผมว่าอย่างไงที่ผมจะถามโอ้ใช่ คงจะไม่ตอบเหมือนการวักว่ะหรือเอาถามได้ท่านก็ถามาผมไปหาหมอหมอเขาบอกว่าผมเป็นไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับเนี่ยไม่มียายาไทยยาจีนยาฝรัง่งไม่มีเดียวนีถ้าใครเป็นมะเร็งตับแล้วก็มีแต่รักษาตามอาการเท่านั้นถ้าท้องอืด ก็กินยาแก้ท้องอืดถ้ามันปวดมากก็ให้มอร์ฟินก็รักษาตามอาการตอนนี้เพื่อรักษาตามอาการผมก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะมันเป็นมะเร็งตัาผมได้สูบผมไป น, นอนโรงพยาบาลมิแต่พยาบาลหญิงเท่านั้นไม่มีพยาบาลชายตอนนี้พยาบาลหญิงผมช่วยตัวเองไมาได้เพราะอาการมันหนักพยาบาลหญิงนีต้องมาเปื้องผ้าแก้ผ้าเช็ดร่างกายให้ผม ผมก็รู้ว่ามันไม่ถูกตามวินัยพราะพระ t h ầ เจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมาแตะต้องร่างกายของพระแต่ผมอะทําทำยังไงได้ผมช่วยตนเองไม่ได้เพราะอาการของผมมันหนักผมขอถามท่านอาจารย์ที่ว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นน่ะเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์เขาถามนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็ตอบในนั้นในในหนังสือเล่มนี้ฟังๆนึกหลวงพ่อตอบเพราวายย่ายังไงทีนี้นะเอ๊ะ หลวงพ่อตอบในหนังสือตตเนี่ยแล้วปัญหาที่สองก็ถามว่าขณะที่ใจจะขาดใจจะหลุดออกจากร่างจะตายในช่วงนั้นะจะบริกรรมกรรมฐานอะไรจึงจะถูกต้องที่สุดจะพอนายอะไรจะยึดอะไรจะยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมพระสงฆ์ยึด พ, พ่ยดพอยึดแม่ยึดคุณงามพรามดจะยึดอะไรจึงจะถูกต้องที่สุดหรือจะปล่อยวางยังไง ก็ว่าปล่อยวางปล่อยวางยังไงจึงจะถูกต้องที่สุดในช่วงนั้นสรุปแล้วในช่วงนั้นจะทจําใจยังไงจึงจะถูกต้องที่สุดตามความเห็นของท่านอาจารย์เนี่ยเขาถามนะเพราะนั่นพวกลูกหลานเนี่ยถ้าใครนี่หลวงพ่อจะแจกมอให้เจ้าอาวาสน่ยนะนะพูดรักษาการนะ่ะไม่พูดแจกแทนก็ได้เอารับพ่อในตอนนี้นะคณะสถาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ